ได้ส่งสอนให้ศรัทธาญาโยมพุทธบริรัตว์ผู้ใฝ่ธรรมผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงผู้ปรารถนาวิมุตตินิพพานได้หยุดการทำงานหนึ่งวันเพื่อที่จะได้เอาเวลาว่างนี้ มาให้กับการทาความเพียรคือมาปฏิบัติทรมารักษาศีลมาทำบุญทาทานเพราะการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆได้ต้องมีความเพียรเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีความเพียรไม่มีการกระทำไม่มีการปฏิบัติ ผลต่างๆคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ต่างๆก็จะไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นตามมาจะเกิดขึ้นได้ก็ต้องมีการกระทำมีการปฏิบัติมีการทำความเพียรทำบุญทำทานรักษาศีลภาวนาการที่จะทำให้ผล เกิดจากการบาเพ็ญความเพียร น, นี้มีความจำเป็นที่จะต้องทำกันอย่างต่ อ, ตอเนื่องอย่างน้อยวันหนึ่งกับคืนหนึง่งต้องมีการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาจนถึงวันพรุ่งนี้เช้าถือว่าเป็นเวลาของวันพระ คือหนึ่งวันกับหนึ่งคืนเพราะถ้าไม่ได้มีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องผลก็จะเกิดขึ้นได้ยากแต่ถ้ามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยก็หนึ่งวันกับหนึ่งคืนผลก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นได้และเมื่อมีผลเกิดขึ้นแล้วก็จะทำให้มีความศรัทธา เพิ่มมากขึ้นก็อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นต่อไปแต่ถ้าปฏิบัติวันละเล็กวันละน้อยเช่นวันละครึ่งชั่วโมงโอกาสที่จะได้สัมผัสกับความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนั้นก็จะเกิดขึ้นได้ยากพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้ พุทธวิสัร์เรานี้หยุดทำงานทำการหนึ่งวันเราเรียกวันนั้นว่าเป็นวันพระซึ่งในสมัยก่อนวันพระก็จะมักก็จะตรงกับวันหยุดทำงานเพราะเราถือวันพระเป็นวันหยุดทำงานกันแต่ในยุคนี้ในสมัยนี้วันหยุดทำงานได้เปลี่ยนไป แทนที่จะหยุดทางานในวันพระอย่างวันนี้ก็ต้องไปทางานกันเพราะเดี๋ยวนี้วันหยุดทางานตรงกับวันเสาร์และวันอาทิตย์ mm hmm. ถ้าเรายังถือตามประเพณีเดิมรมเนียมเดิมอยู่คือถือว่าวันนี้เป็นวันหยุดทางานเพื่อที่เราจะได้มาปฏิบัติธรรม เราก็จะไม่สามารถทำได้เพราะเราต้องไปทำงานกันถ้าละลางานมาบ่อยๆเราก็อาจจะถูกเขาเลิกจ้างเราก็ได้ดังนั้นสำหรับท่านที่หยุดทำงานในวันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือทั้งสองวันก็ขอให้เปลี่ยนวันพระไปให้ตรงกับวันเสาร์วันอาทิตย์แทน พอถึงวันสาวันอาทิตย์เราก็ถือว่าวันนั้นเป็นวันวันพระของเราวันหยุดทำงานทางโลกวันหยุดทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาราบยศสลรเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสโพธพชชนิดต่างๆแล้วเราก็ไปที่วัดกันหรือไปอยู่ที่สงบ ส, สถานปฏิบัติธรรม ที่ไหนก็ได้ที่เป็นที่สงบสงัดมิเวกยิ่งถ้าเป็นที่ที่เราสามารถอยู่ตามลำพังได้ก็จะยิ่งดีใหญ่เพราะการปฏิบัติเพื่อให้จิตใจสงบนี้จำเป็นต้องอยู่ห่างไกลจากสิ่งรบกวนใจต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือเป็นเหตุการณ์อะไรต่างๆก็ตาม เรือรูปเสียงกลิ่นดต่างๆสิ่งเหล่านี้ถ้าอยู่ใกล้แล้วมันจะทำให้มาเป็นอุปสรรคขวางกั้นในการปฏิบัติเพื่อทำจิตใจให้สงบชาวพุทธเราผู้ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกนี้จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีวันพระอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันด้วยกันถ้าเราต้องทำงานในวันนี้ เราก็เลื่อนวันพระไปเป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์วันที่เราหยุดทำงานแทนไม่ต่างกันจะปฏิบัติวันนี้หรือปฏิบัติวันเสาร์อาทิตย์นี้เรื่องของวันไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใดปัญหาก็คือว่ามีเวลาให้กับการปฏิบัติหรือไม่ถ้าวันนี้มีเวลาให้กับการปฏิบัติเช่นบางท่านไม่ต้องไปทำงานสามารถหยุดงานได้ตามตามอเภอใจ ก็สามารถใช้วันพระตามประเพณีเดิมได้พอวันพระเราก็หยุดทำงานทางโลกหยุดทำมาหากินหาเงินหาทองเลี้ยงปากเลี้ยงท้องหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสผลทพชนิดต่างๆแล้วก็เอามาให้กับการปฏิบัติธรรมถ้าไม่มีการปฏิบัติธรรมนี้ ก็จะไม่มีวันที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้และการปฏิบัติธรรมก็ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผลถ้าปฏิบัติทีละเล็กทีละน้อยครั้งละครึ่งชั่วโมงบ้างชั่วโมงหนึ่งบ้างในในวันหนึ่งผลที่จะเกิดคือทำให้ใจสงบนี้มันก็จะเกิดขึ้นได้ยาก <c oughs> เพราะเวลาของการปฏิบัติไม่เพียงพอ เพราะว่านอกจากการนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบแล้วการปฏิบัติอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือการจเจริญสติเพราะถ้านั่งสมาธิโดยไม่มีสตินี้นั่งไปกี่ชั่วโมงก็ไม่มีวันที่จะสงบได้น่าจะไม่สามารถทนนั่งอยู่ได้นานเพราะเมื่อจิตใจเริ่มเกิดความฟุ้งซ่านขึ้นมาก็จะเกิดความรู้สึกอึดอัด จนรู้สึกนั่งต่อไปไม่ได้ดังนั้นก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิได้นี้จจำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีสติขึ้นมาก่อนและสตินี้เราจาเป็นที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนถึงเวลาหลับเลยถ้าเราสามารถจัดันรสติอย่างต่อเนื่องได้คอยควบคุมความคิด พอหยุดความคิดอยู่เรื่อยๆเวลามานั่งสมาธิความฟุ้งซ่านก็จะไม่เกิดขึ้นแล้วก็ความสงบก็จะเกิดขึ้นตามมาได้ดังนั้นเบื้องต้นของการทำใจให้สงบนี้ต้องมีเวลาให้กับการเจริญสติการเจริญสติได้อย่างต่อเ น, นื่องก็ต้องอยู่ในสถานที่สงบอยู่ คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครเพราะเวลาเราเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้เรามักจะเผลอเราจะไม่สามารถควบคุมความคิดของเราได้เพราะเราจะต้องคิดว่าจะต้องพูดกับเขาอย่างไรจะต้องคุยกับเขาอย่างไรจะต้องทําอะไรกันอย่างไรไ ม, มันก็จะทําให้ยากต่อการเจริญสติเพื่อหยุดความคิดต่างๆได้ต้องไปอยู่ที่คนเดียว อยู่ที่ไม่มีอะไรมารบกวนใจแล้วเราก็คอยควบคุมความคิดด้วยการอาศัยอารมณ์ที่เราจะใช้ผูกผูกใจเอาไว้ไม่ให้ไหลไปกับความคิดต่างๆอารมณ์นี้เราเรียกว่ากรรมฐานใจต้องมีกรรมฐานเป็นที่ยึดที่เกาะเพื่อใจจะได้ไม่ไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ กรรมฐานนี้ก็มีหลากหลายชนิดด้วยกันแต่สำหรับผู้เริ่มต้นนี้เราก็มอกจะใช้พุทธานุสติเป็นกรรมฐานหรือกายะกะตาสติเป็นกรรมฐานพุทธานุสติก็คือให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เรื่อยๆเราจะระลึกแบบพิสดานก็ได้หรือระลึกแบบย่อก็ได้ ถ้าอยากจะละลึกแบบพิสดาลก็ให้สวดบทอิติปิสโสไปอิติปิสโสภะคะวาอารลหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจรณะสัมปโนสุกะโตโลกะวิทูอนุตโตปุริสเดลัมมาสาระธิสัทธาเดวะมนุษสานังบุตโธภะคะวาติท่องไปเรื่อยๆหลายรอบท่องไปทั้งวัน ถ้าเราอยากจะย่อให้สั้นก็เราเลิกถึงคําว่าพุโทโธพุธโทโธแทนก็ได้ mm hmm. ให้มีพุโทโธอยู่ในใจไม่ต้องออกเสียง mm hmm. เอาตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอตื่นขึ้นมาปั๊บก็เอาพุโทโธมาสู้กับความคิดเลยอย่าปล่อยให้ใจคิดถ้าเราไม่มีอะไรยึดไว้เดี๋ยวมันใจก็จะไปคิดถึงคนนั้นคนนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ mm hmm. แล้วพอคิดไปแล้ว กิเลสความโลภความอยากต่างๆก็จะตามมาพอเกิดความโลภความอยากความเครียดความวุ่นวายใจก็จะตามมาต่อไปใจก็จะไม่มีกำลังที่จะมาทำใจให้สงบได้แต่ถ้าเราคอยควบคุมใจควบคุมความคิดตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยพอลืมตาขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วไปทำ กิจอะไรที่เราจําเป็นจะต้องทําเช่นไปล้างหน้าแปรงฟันอาบน้ําอาบท่าแต่งเนื้อแต่งตัวรับประทานอาหารทําความสะอาดที่อยู่อาศัยของเราให้มีพุทธโธไปตลอดเวลาการเจริญสตินี้ก็เหมือนกับการนั่งสมาธิหรือกับการเดินจงกรมนะเวลานั่งสมาธิล้วก็ต้องใช้พุทโธพุทโธเวลาเดินจงกรมเราก็ต้องใช้พุทธโธพุทธโททธโท งั่นเราสามารถปฏิบัติได้ในทุกิริยาบทไม่จาเป็นว่าจะต้องอยู่ในท่านั่งหรือท่าเดินเพียงอย่างเดียวเราสามารถปฏิบัติได้ในทุกิริยาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกายถือว่าเป็นการปฏิบัติสติเพื่อให้จิตเข้าสู่ความสงบได้ง่ายพอเราไม่มีกิจที่จะต้องทาแล้วเราก็มานั่งเฉยๆนั่งหลับตาแล้วก็บริกรรมพุโทโธพุโทโธต่อไป อย่าปล่อยให้ใจเผลอไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือปล่อยให้ใจไปผลิตความรู้สึกอาการต่างๆขึ้นมาในใจ <Yeah. S 2> บางทีคนนั่งแล้วก็รู้สึกว่าขัดตรงนั้นเจ็บตรงนี้ <Yeah. S 2> บางคนนั่งก็รู้สึกคันตรงนั้นคันตรงนี้ <Yeah. S 2> หรือบางทีรู้สึกอึดอัดขึ้นมาอาการเหล่า น, นี้มันเป็นผลที่เกิดจากการไม่มีสติของเรา <Yeah. S 2> ทั้นี้ yeah. แต่เรามีสติอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธไปอาการต่างๆนี้จะไม่ปรากฏในขณะที่เรานั่งสมาธิแล้วใจก็จะค่อยๆเข้าสู่ความสงบไปความสงบรู้สึกจะมีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นแล้วในที่สุดมันก็จะรวมสู่สมาธิได้จิตรวมลงเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้พอจิตสงบสักแต่ว่ารู้พุโทโธก็หยุดไปไม่จาเป็นจะต้องพุโทโธต่อไป อันนั้นใจก็ไม่คิดอะไรอยู่เฉยๆจะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่ที่กำลังของสติที่ได้ขึกไว้เบื้องต้นนี้ก่อสนสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่ๆก็จะสงบได้เพียงชั่วขณะหนึ่งเรียกไบว่าชั่วขณะงูแลบลิ้นหรือแบบฟ้าแลบสงบนิ่งปุ๊บแล้วเดี๋ยวก็ถอนออกมาทันที อันนี้เป็นผลที่เกิดจากการมีสติยังไม่มากพอมีมากพอที่จะทำให้จิตรวมสงบได้แต่ไม่มากพอที่จะให้มันสงบไปนานๆได้แต่ก็เป็นปกติธรรมดาของผู้ที่เริ่มต้นฝึกขัดใหม่ๆขอให้รวมแบบนี้ก่อนถ้ารวมแล้วมันจะได้สัมผัสกับความสุขที่เกิดจากความสงบ เป็นความสุขที่มหัสาร์ใจเป็นความสุขที่ไม่เคยพบกับ เ, เห็นมาก่อนตั้งแต่เกิดมามถึงแม้ว่าจะเป็นชั่วแค่งูลาบลิ้นหรือชั่วฟ้าลรบกระตา่างความประทับใจในควา ม, ใ น, วามในความสุขแบบนี้มันจะเกิดขึ้นในใจจะทำให้เกิดมีศรัทธาเพิ่มมากขึ้นนความไม่ลังเลคำจัดความลังเลสงสัยได้ว่า นั่งสมาธิไปนั่งไปทําไมได้อะไรจากการนั่งเฉยๆรู้แล้วว่าจะได้ความสุขที่เกิดจากความสงบนี้ <Okay. S 2> แล้วก็เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพะต่างๆความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันมากกว่าเงินทองที่เราได้มาเป็นร้อยล้านพันล้านนี่มากกว่ายศตําแหน่งต่างๆที่เราได้รับแต่งตั้งมา มากกว่าเหรียญรางวัลต่างๆที่ได้รับจากผู้ที่เขาต้องการสรรเสริญเยืนย่อเราหรือมากกว่าความสุขที่ได้จากการไปเที่ยวไปกินไปดูไปฟังอะไรต่างๆความสุขเหล่านี้ไม่สามารถเทียบเท่ากับความสุขที่ได้จากความสงบได้เลยถ้าเราได้สัมผัส น, นะแต่เพียงแค่หูแล้วลิ้นนี่ มันจะทำให้เราเกิดมีความยินดีที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นเกิ<ม>ดฉันทะวิริยะเกิ<ม> ด, ดความยินดีเกิดความภาคเพียรความขยันหมั่นเพียรตอนนี้ไม่ต้องไปบังคับให้มาทำสตินั่งสมาธิแล้วพอได้ผลจากการปฏิบัติเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะฉันทะวิริยะความยินดีความภาคเพียรมันจะตามมาโดยอัตโนมัติ เมื่อก่อนนี้ต้องคอยบังคับให้มาเจริญสติให้มานั่งสมาธิกันแต่พอเห็นผลจากการเจริญสติเห็นผลจากการนั่งสมาธิแล้วทีนี้ไม่อยากจะไปทำอะไรอย่างอื่นแล้วไม่คุ้มค่ากับการลงทุนเอาเวลามาลงทุนกับการเจริญสตินั่งสมาธินี้ได้ผลที่เลิศ ก, กว่าที่ดีกว่าจากการเอาเวลาไปทำมาหากินหาเงินหาทอง หาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกิืนกายมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เหมือนฟ้ากับดินอันนี้แหละจะเป็นจุดหักเหจุดเปลี่ยนของชีวิตก็ว่าได้คนที่เคยสว่างหาความสุขจากลาภยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพัะชนิดต่างๆนี่พอได้มาสัมผัสกับความสงบที่ความสุขที่เกิดจากความสงบของสมาธินะ จะเปลี่ยนชีวิตไปเดลนทิศทางการการแสวงหาความสุขเลยแทนจะเลิกจะเลิกหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสพุพธะจะหันมาหาความสุขจากการเจริญสตินั่งสมาธิเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆต่อไปก็จะหาแต่ความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิเพียงอย่างเดียว ตอนต้นก็ยังอาจจะยังต้องแบ่งเวลาเพราะยังมีหน้าที่มีภาระอะไรต่างๆที่จะต้องทำอยู่แต่พอรู้แล้วว่าความสุขที่ได้จากการทำหน้าที่เหล่านี้มันไม่คุ้มค่ากับเวลาที่เราให้ไปซื้อเอาเวลามาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิดีกว่า เราก็จะเริ่มลดเวลาของการหาราบยศ ส, สรเสิญสุดให้น้อยลงไปแล้วก็เพิ่มเวลาให้กับการจเจริญสตินั่งสมาธิให้มีเพิ่มมากขึ้นไปจากการมีวันพระอ า, อาทิตย์ละหนึ่งวันก็อาจจะเพิ่มเป็นสองวันเพิ่มเป็นสามวันเพราะเมื่อเราเห็นผลที่ได้จากการลงทุนแบบนี้แล้วมันได้กำไร ได้ผลดีกว่าการไปลงทุนกับการหาราบยศสารเสริญสุขเราก็จะเปลี่ยนพอร์ตถ้าเป็นนักลงทุนก็จะเปลี่ยนพอร์ตโดยลงทุนกับการหาราบยศสารเสริญสุขก็เปลี่ยนมาเป็นการลงทุนให้กับการหาสติหาสมาธิหาความสงบทางใจเราก็จะลดการทํางานทางโลกลงไป แล้วก็เพิ่มการทำงานทางธรรมให้มีเพิ่มมากขึ้นต่อไปถ้าการปฏิบัติของเราจเจริญเติบโตได้ผลดีมากขึ้นไปตามลำดับต่อไปเราก็อยากจะปฏิบัติทุกวันเลยไม่อยากจะหาผลประโยชน์จากลาบยศสรรเสริญสุขอีกต่อไปเพราะเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นความสุขแบบควันไฟไม่ยั่งยืน ไม่อยู่กับใจไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากความสงบมันอยู่กับใจนานกว่าและวิธีที่จะหามันก็ง่ายกว่าไม่ยุ่งยากการหารายดยศสารเสวนสุขนี่มันต้องมีปัจจัยหลายอย่างด้วยกันกว่าจะได้เงินมาสักบาทหนึ่งนี่ก็ก็ต้องเหนื่อยเหน็ดเอยอย่างมากกว่าจะได้ยศได้ตำแหน่งมา ก่าจะได้รา ง, งวีรางวัลเช่นนักกีฬาโอลิมปิกเนี่ยเขาจ่ต้องฝึกซ้อนมากน้อนเพียงไร ห, หรือการที่จะได้มีโอกาสไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆมันก็ต้องมีเงินมีทองมีอะไรหลายอย่างด้วยกันแล้วความสุขที่ได้ที่ได้มาก็เป็นความสุขประเดียวประดาวตอนที่ได้มาใหม่ๆก็มีความสุขพอวันสงวันผ่านไปมันก็จางหายไป เป็นเหมือนควันไฟไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบที่มันจะอยู่กับใจเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆเวลาไม่ได้อยู่ในสมาธิใจก็จะเย็นใจก็จะสบายไม่วุ่นวายไม่มีตกไม่กังวลกับเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆเพราะว่าเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวต่างๆนี้ไม่มีผลกระทบต่อ ความสุขทางใจแต่อย่างใดไม่เหมือนกับความสุขทางร่างกายทางลาบยศ ส, สรรเสวญทางรูปเสียงกลิ่นอะนี่มันมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่จะสามารถมากระทบทำให้ไม่สามารถหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขได้ก็มีเช่น mm hmm. โครคภัยไข้เจ็บโรคระบาดภัยทางธรรมชาติภัยจากฝนนี่ก็เป็นภัยธรรมชาติ แล้ว ม, มาทําให้มีปัญหาทางด้านสุขภาพของร่างกายได้ถ้าร่างกายไม่สมบูรณ์ al, ไม่แข็งแรงก็จะมีปัญหาต่อการที่จะไปหาราบยศเสริญสุขกันเมื่อเราได้ประเฉนปัญญาเห็นด้วยปัญญาแล้วว่าการหาความสุขทางโลกนี้มันเต็มไปด้วยความทุกข์ห้อมน้อมไปด้วยความทุกข์ความสุขที่ได้เป็นชือกประเดียวประดาว แต่ความทุกข์นี้มันมีอยู่แทบทุกวันทุกเวลาเดี๋ยวทุกข์กับเรื่องนั้นทุกข์กับเรื่องนี้ทุกข์กับคนนั้นทุกข์กับคนนี้ทุกข์กับเหตุการณ์นั้นทุกข์กับเหตุการณ์นี้มันมีผลกระทบต่อการหาความสุขทางราบยศฉลเสริญทางรูปเสียงกลิ่นรสแต่มันไม่มีผลกระทบต่อการเจริญสตินั่งสมาธิขอให้เรามีที่สงบอยู่คนเดียวได้เท่านั้นแหละร่างกายจะแข็งแรงไม่แข็งแรงก็ไม่เป็นปัญหาอะไร จะเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่เป็นปัญหาอะไรก็ยังสามารถที่จะเจริญสตินั่งสมาธิได้ถ้านั่งไม่ได้ก็นอนสมาธิแทนก็ได้สำหรับคนที่มีสติที่ดีสำหรับคนที่เข้าสมาธิได้เก่งแล้วนี่อยู่ในท่านอนสมาธิก็ได้นี้มันเมื่อเปรียบเทียบเห็นความแตกต่างระหว่างความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสแล้ว กับความสุขที่เกิดจากการเจริญสตินั่งสมาธิแล้วนี่มันก็จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเห็นฝ่ายไหนเป็นฝ่ายที่ดีกว่าจะเห็นว่าความการหาความสุขจากความสงบนี้เป็นสิ่งที่ดีกว่าง่ายกว่ายุ่งยากน้อยกว่ากว่าการหาความสุขจากลาบยศสารสิญจากรูปเสียงกลิ่นรสพอดถ้าชนิดต่าง ก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขต่อไปก็อาจจะหาความสุขจากความสงบเพียงอย่างเดียวครับก็อาจจะเลือกวิธีหาว่าจะไปอยู่แบบนักบวชหรือเปล่าถ้าไปอยู่แบบนักบวชได้ก็เป็นเป็นวิธีที่ดีที่สุดเป็นวิธีที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบงเพ็ญได้ทรงกระทำมาเป็นตัวอย่างพระพุทธเจ้าก่อนที่จะไปบวชเพื่อไปปฏิบัติ ท่านก็เป็นพระราชามาหาการสัตว์เป็นลูกเจ้าชายเป็นเจ้าชายเป็นราชาโอรสท่านก็อยู่ท่ามกางความสุขของราบยศสรรเสริญของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแต่ท่านทรงเห็นว่ามันเป็นอุปสรรคขวางกั้นการปฏิบัติเพื่อทําใจให้สงบท่านก็เลยสละราชาสมบัติไปเพื่อจะได้ไปอยู่แบบนักบวช พราะมัอยู่แบบนักบวชแล้วก็ไม่มีภารกิจทางโลกให้มากังวลด้วยไม่ต้องมากังวลกับลาบยศสรรเสริญกังวลกับลูกเสียงกิ่นรสต่างๆไม่ต้องหามันไม่ต้องยุ่งกับมันเอาเวลาทั้งหมดมาให้กับการเจริญสตินั่งสมาธิ น, นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นถ้าเรามีวันพระถ้าเรามีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืน คือการจเจริญสติอย่างต่อเนื่องถ้าไม่มีสติแล้ว mm hmm. การปฏิบัติจะไม่คืบหน้านั่งสมาธินานเท่าไหร่ก็จะไม่สงบแล้วไม่มีไม่มีสมาธิถึงแม้จะมีปัญญาแต่ก็ไม่สามารถใช้ปัญญามาทำใจให้สงบได้เพราะว่าสู้กำลังของกิเลสตัณหาตัวที่สร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้กับใจไม่ได้เพราะขาดกำลังของสมาธิ ถึงแม้จะมีปัญญารู้ว่าความทุกข์ความวุ่นวายใจต่างๆเกิดจากกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆแต่เวลามันเกิดขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิมาก่อนใจจะไม่มีกําลังหยุดแต่ถ้าฝึกสตินั่งสมาธิจนจิตนิ่งสงบก็แสดงว่าใจมีกําลังหยุดหยุดกิเลสได้พอไปทางปัญญาพอเห็นทุกข์ใจเกิดจากความอยาก เกิดจากความโลภแล้วเกิดจากความโกรธก็สามารถใช้สมาธิกําลังของสมาธินี้หยุดมันได้ทันทีงา น, น, นเบื้องต้นจึงต้องฝึกสติเป็นเป็นเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติการฝึกสติก็เหมือนกับการเรียนหนังสือการที่เราจะเรียนหนังสืออ่านออกเขียนได้เราก็ต้องเริ่มต้นที่ก่อไก่ขอไข่ก่อน ถ้าเราไม่เรียนกไก่ขอไข่เราก็จะไม่รู้จากวิธีออกเสียง อ, อักษรแต่ละตัวว่าออกเสียงอย่างไรกร็ไก่ออกเสียงอย่างไรขอไข่ออกเสียงอย่างไรแล้วสะระสะระ อ, ออกเสียงอย่างไรและเวลามันผสมกันนี่จะออกเสียงอย่างไรเราจะไม่สามารถที่จะอ่านออกหรือเขียนได้ถ้าเราไม่เริ่มต้นที่กอไก่ขอไข่ก่อนอันใดถ้าเรา ไม่เริ่มต้นที่สติคือคอยหยุดความคิดทําใจให้นิ่งแว่านั่งสมาธิใจก็ไม่สงบเวลาฟังเทศฟังธรรมได้ปัญญาได้รู้ว่าความทุกข์ใจความวุ่นวายใจเกิด จ, จากกิเลสตัณหาความโลภ ค, ความอยากต่างๆ<ม>ก็หยุดมันไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิมาก่อนต้องฝึกสมาธิจนมีความชำนาญในการหยุด หยุดกิเลสให้ได้ก่อนแล้วพอเกิดปัญหาขึ้นมาเกิดความทุกข์ขึ้นมาเมื่อพิจารณาแล้วก็เห็นว่าเกิดจากความโลภอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้พอไม่ได้ก็ทุกข์ใจเสียใจบางทีก็โกรธ ถ, ถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็หยุดความอยากนั้นเสียหยุดความโลภนั้นเสียอยากจะได้คนนั้นคนนี้มาเป็นแฟนพอไม่ได้ก็เสียใจ พอใช้สมาปัญญาพิจารณาว่าทุกใจเกิดจากความอยากอยากในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อยากให้เขามาเป็นแฟนแต่เขาไม่ไม่ยอมมาเป็นแฟนเรา mm hmm. เขาเป็นอ น, นิจจังเขาเป็นอ น, นัตตาเราควบคุมบังคับเขาไม่ได้ต่างเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่มาเราก็ต้องเปลี่ยนใจเลถ้าไม่มาก็ไม่เอาก็ได้ในโลกนี้มีคนอื่นต้องเยอะแยะไปทำไมต้องไปเอาคนนี้คนเดียว ให้คิดอย่างนี้เท่านั้นก็ปล่อยเขาไปได้ไม่ไปมีความอยากที่จะให้เขามาเป็นแฟนเราเออไม่ได้อยากให้เขามีความเป็นแฟนเราใจเราก็สงบหายทุกข์หายวุ่นวายใจขึ้นมาทันทตีต้องมีสมาธิต้องมีความสามารถหยุดกิเลสให้ได้ก่อนการนั่งสมาธินี้เป็นการหยุดกิเลสเพราะเวลาจิตนิ่งนี้กิเลส ท, ทำงานไม่ได้เวลาจิตที่อยู่ในสมาธินี้ ความโลภความโกรธความโง่มีมากมีน้อยเพียงไรไม่สามารถแสดงตัวออกมาได้เพราใจอยู่นิ่งๆกิเลสจะแสดงตัวได้ก็ตอนที่ใจออกจากสมาธิมาพอใจเริ่มมีความคิดปรุงแต่งมีการรับรู้รูปเสียงกลิ่นแล้อะไรต่างๆตอนนั้นแหละถ้าไม่มีสติคอยควบคุมไว้กิเลสมันก็จะโผล่ขึ้นมาได้แต่ถ้ายังมีสติคอยควบคุมอยู่ ถึงแม้มันจะโผล่ขึ้นมาได้ก็สามารถหยุดมันได้ด้วยการใช้สติไปเบื้องต้นก่อนบริกรรมพุทโธพุทโธไปในใจ<ม>จอยความโลภอะไรขึ้นมาก็พุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งความโลภก็หายไปจอยความโกรธขึ้นมาก็ใช้กคำบริกรรมพุทโธพุทโธไปสักแป๊บหนึ่งความโกรธก็จะหายไป<ม>เพียงแต่ว่าการใช้สติระงับความโลภความโกรธความหลงนี้ มันสามารถทำได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวยังไม่ได้สามารถหยุดมันได้อย่างถาวรทำลายมันได้อย่างถาวร อ, อันนี้ต้องอาศัยกําลังของปัญญาที่จะมาสอนใจให้เห็นว่าความโลภความอยากหรือความทุกข์นี้เกิดจากความโลภความอยากนั้นเกิดจากที่จิตไปโลภไปอยากในสิ่งที่มันเป็นเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมบังคับได้ เวลาเราอยากได้อะไรมาพอเราได้มาหรือไม่ได้มาเราก็อยากพอได้มาเราก็อยากอยากจะให้เขาอยู่กับเราเป็นนานๆแต่เขาก็เป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราววันดีคืนดีเขาก็อาจจะจากเราไปก็ได้หรือถ้าเวลาเราอยากแล้วไม่ได้เขามาก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ภายใต้กำนาจของเราที่จะไปเอาเขามาเป็นของเราได้ เขาเป็นอนัตตาไม่มีไม่มีเจ้าของไม่มีตัวตนเป็นเหมือนดินฝ้าอากาศถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังอนัตตาถ้าไปอยากในสิ่งที่เป็นอนิจจังอนาตาัตตก็จะต้องเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเพราะมันเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็จะแก้วความโลภความอยากได้อย่างถาวรเมารู้แล้วว่าถ้าไปอยากในสิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา แล้วก็จะไม่ได้สิ่งที่จะได้ก็คือความทุกข์ความเสียใจความผิดหวงัง<ม>ถ้าไม่อยากจะทุกข์ไม่อยากจะเสียใจไม่อยากจะผิดหวงังก็อย่าไปอยากมันท่านเองเช<ม>่นเรารู้ว่าวันนี้เราอยากให้ฝนตกไม่ได้เราก็ไม่ไปอยากให้ฝนมันตกถ้าเราไปอยากให้ฝนมันตกมันไม่ตกมันก็จะทําให้เราทุกข์ใจไปเบาๆ<ม>หรือวันนี้เราอยากจะให้พระอาทิตตกในทิศตะวันออก<ม>ให้มันขึ้นทางทิศตะวันตก เราก็ร่วมเป็นไปไม่ได้เมื่อรู้ว่าเป็นไปไม่ได้เราก็ไม่ไปอยากให้มันขึ้นทางทิศตะวันตกไม่ไปอยากให้มันตกทางทิศตะวันออกเราก็ปล่อยมันขึ้นตกตามทิศของมันไปเช่นเดกับเรื่องต่างๆกับบุคคลต่างๆกับสิ่งต่างๆก็แบบเดียวกันถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่เขาไม่เป็นอย่างที่เราอยากเราก็จะทุกข์ใจอย่างนั้นถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถ ทำให้เขาเป็นไปตามที่เราอยากได้เราก็อย่าไปอยากทั้งนั้นเองเราก็จบอยู่กับเขาไปตามปกติไม่ต้องมีความอยากเกี่ยวข้องด้วยเขาจะอยู่เขาจะไปก็เรื่องของเขาเขาจะดีเขาจะชัว่วก็เรื่องของเขาเขาจะเป็นของเราหรือไม่เป็นของเราก็ไม่เป็นปัญหาอะไร mm. เพราะเราไม่ต้องมีเขาก็เราก็อยู่ได้ถ้าเรามีมีความสงบที่เกิดจากสมาธิ พราะความสุขที่ได้จากความสงบจากสมาธินี้มันเป็นความสุขที่ทําให้ใจอิ่มทําให้ใจพอทําให้ใจไม่หิวโหยไม่เกิดตัณหากิเลสขึ้นมาที่เกิดเพราะความหลงมันชอบมาหลอกใจว่าได้สิ่งนั้นมาได้สิ่งนี้มาได้คนนั้นมาได้คนนี้มาแล้วจะมีความสุขแต่แทนที่จะมีความสุขมันกลับทําให้ใจ ว, วุ่นวายใจขึ้นมาเพีงแต่อยากได้มันก็เริ่มวุ่นวายใจแนละ้ว อยากจะถูกก็ตล่เนี่ยเช่นมันมันออกมันหวยออกนี่อยากจะอยากให้ถูกก็เตล่ใจก็จะเริ่มกังวลกัวายกระสับกระสายเราดูผลว่ามันจะออกมาอย่างไรพอมันไม่ออกตามที่เราแทงไว้มันก็ทำให้เราเสียใจเกิดความทุกข์เกิดความเสียใจตามมาแล้วเราไปฮะเราไปสร้างความทุกข์ให้กับใจเราทำไมเมื่อรู้ว่าสิ่งที่เราอยากได้มันเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอน เราไม่สามารถสั่งให้มันเกิดขึ้นได้เช่นโอกาสที่จะถูกกัตเตรี่มันมีมากมีน้อยเท่าไหร่ mm hmm. แต่ถ้าเราไปอยากให้ถูกกัตรี่มันก็จะทำให้ใจเราวุ่นวายขึ้นมาทันทีและเวลาไม่ถูกก็ทำให้เราเสียใจเพราะเราไม่เห็นความไม่แน่นอนของการถูกกัตตรี่ไม่แน่นอนว่าเราสามารถสั่งมันได้หรือไม่เราสั่งมันไม่ได้ mm hmm. นี่คือการเห็นตร ล, ลักษ เพราะตายลักนี่แหละคือความจริงของทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสัมผัสรับรู้เนี่ยทางตาทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยล้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นที่เราทุกข์เพราะเราไปยุ่งกับสิ่งเหล่านี้ทุกวันนี้เราทุกข์กับอะไรเป็นส่วนใหญ่ก็ทุกข์กับเรื่องเงินทองเรื่องยศเรื่องตําแหน่งเรื่องการได้รับรางวัลได้รับการเยินยอสรรเสริญ เรื่องของความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสเนี่ยเราทุกข์เพราะว่าบางทีเราไม่ได้มันเราอยากได้แล้วไม่ได้มันแล้วมันก็ทําให้เราทุกข์ใจขึ้นมาหรือเราได้มันมาแล้วเวลามันจากเราไปมันก็ทําให้เราทุกข์ใจแสดงว่าเรามองไม่เห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่แน่นอนเป็นของที่เป็นของชั่วคราวเป็นของที่เกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องดับไปเราไม่เห็น เราไม่เห็นว่ามันเป็นอนัตตามันไม่ได้เป็นของเราอย่างแท้จริงถึงแม้เราจะได้มาครอบครองก็เป็นแค่ชั่วคราววันใดวันหนึ่งมันก็ต้องเป็นของคนอื่นไปกลายเป็นสิ่งอื่นไปเรามองไม่เห็นกันเราก็เลยไปหลงกับมันหลงอยากได้กับมันจากความสุขที่เราได้จากมันเล็กๆน้อยๆตอนที่เราได้มาตอนแรกๆแต่พอได้มาแล้วเราก็จะต้องมาคอยรักษาคอยดูแลคอยหวงคอยห่วง คอยวิตกคอยกังวลว่าเขาจะเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเขาหรือเปล่าสารพัดความทุกข์ก็จะตามมา ท, าทันทีเพราะเราไม่เห็นทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาแต่ถ้าเราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเราก็ไม่เอาดีกว่าไม่อยากดีกว่าสู้หาความสุขจากการทําใจให้สงบดีกว่าใจจะสงบไม่สงบก็ ก็ต้องอยู่ที่การควบคุมความอยากหยุดความอยากให้ได้ถ้าเราควบคุมความอยากได้หยุดความอยากได้ <Yeah. S 1> ใจก็จะสงบ <Okay. S 1> วิธีดังสมาธิก็เป็นวิธี ท, ทำควบคุมความอยากให้สงบอยู่ชั่วคราว mm. แต่ถ้าวิธีปัญญาก็สามารถหยุดความอยากได้โดยที่ไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้ถ้าเรามีกาลังของสมาธิอยูแ่แล้วรู้ด้วยปัญญาว่าความไม่สงบของใจเกิดจากความอยากายต่าง เราเกิดความอยากต่างๆเราหยุดมันได้ปั๊บความสงบของใจก็จะกลับคืนขึ้นมาทันทีโดยที่เราไม่ต้องเข้าสมาธิก็ได้<ม>เพราะว่าเราสามารถใช้ปัญญาควบคู่กับสตินี้หยุดความอยากต่างๆได้เวลามันโผล่ขึ้นมาพอมันความอยากหายไปความวุ่นวายใจที่เกิดจากความอยากก็หายไปความสงบก็จะกลับคืนมาม ต่อไปก็จะไม่มีความอยากโผล่ขึ้นมาเลยเพราะทุกครั้งที่ความอยากโผล่ขึ้นมาก็ใช้ปัญญาใช้ใจรักสอนใจว่าอย่าไปยุ่งเพราะมันเป็นทุกข์มันเป็นอนิจจังไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเราไม่ได้เป็นของเราไม่สามารถเก็บไว้ให้อยู่กับเราไปได้ตลอดไม่สามารถสั่งให้มันให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดวันดีคือดีมันก็เปลี่ยนไปจากการให้ความสุขเป็นการให้ความทุกข์กับเราก็ได้<ม>ต้องเห็นใจรักแล้ว ความอยากต่างๆก็จะหมดไปพอไม่มีความอยากแล้วใจก็จะสงบไปตลอดโดยที่ไม่ต้องมานั่งสมาธิไม่ต้องมาเจริญสติให้เสียเวลาเปล่าอันนี้เป็นผลขั้นสูงสุดคือขั้นปัญญาแต่ก่อนที่จะไปถึงขั้นปัญญาได้ก็ต้องไปขั้นสมาธิก่อนก่อนจะไปนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ก่อนก็ต้องเจริญสติก่อน แล้วก่อนที่จะมาเจริญสติได้ก็ต้องมีวันพระก่อนวันหยุดทำงานก่อนมีเวลาก่อนมีเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมและการที่จะปฏิบัติธรรมได้ก็ต้องมีศีลคอยสนับสนุนก่อนต้องมีศีลแปดเป็นเครื่องสนับสนุนเพราะศีลแปดนี้จะคอยกั้นคอยยุดคอยหยุดการกระทำทางลาบยศรลเสร น, เนั่นเองทางรูปเสียงกลิ่นรสพอเราถือศีลแปดนี้ เราก็จะไม่สามารถหาความสุขผ่านทางรูปเสียงกลิ่นรสได้เช่นเราก็ไม่สามารถร่วมหลับนอนกับคู่ครองของเราได้เราไม่สามารถหาความสุขจากการกินการดื่อมอาหารต่างๆตามความอยากของเราได้กินได้ดื่มได้ก็เพียงแค่เที่ยงวันเท่านั้นหลังจากเที่ยงวันไปแล้วก็ไม่ให้มีการกินการดื่ม อ, อีกต่อไปแล้วเราก็จะไม่สามารถไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรส ในรูปแบบของบันเทิงต่างๆได้ดูหนังฟังเพลงไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆไม่ได้ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆไม่ได้ให้ไปเก็บตัวอยู่ในที่สงบสงัดวิเวกแทนถ้าไม่มีสินแปลนไม่มีข้อห้ามใจมันก็ยังจอยากไปอยู่พอเกิดความอยากมันก็ทนต่อความอยากไม่ไหวมันก็จะไป อยากจะร่วมหลับนอนกับแฟนก็จะไปร่วมหลับนอนกับแฟนอยากจะกินอาหารกี่มือ้อก็สก็จะกินตามความอยากอยากจะดูหนังฟังเพลงอยากจะดูละครดูอะไรทำอะไรในเกี่ยวกับเรื่องของการบันเทิงต่างๆก็จะทำไปเมื่อเวลามาทำกับสิ่งเหล่านี้ก็จะไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสตินั่งสมาธินั่นเองอยางเราต้องเคลียร์กิจกรรมต่างๆเอาไปจากใจให้หมด ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นลดเลยเพราะที่เราจะได้มีเวลาให้กับการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับได้แล้วต้องไปอยู่คนเดียวอยู่ที่สงบสงัดวิเวกแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นลดไม่ดูไม่ฟังอะไรเอาเวลานี้มาเจริญสติ ถ้าจะทำอะไรก็ทำในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงเช่นการเลี้ยงดูร่างกายต้องรับประทานอาหารแต่รับประทานพ อ, พอประมาณไม่มากเกินไปแล้วไม่เกินเวลาเที่ยงวันไปแล้วแล้วก็ต้องทาความสะอาดสถานที่พักที่อยู่อาศัยทาความสะอาดเสื้อผ้าถ้าเราต้องอยู่หลายวันเราก็ต้องซักเสื้อผ้าเราต้องอาบน้ำอาบท้า ที่เป็นกิจกรรมที่จําเป็นจะต้องทําทําเท่าที่จําเป็นแต่ขณะที่ทําเราก็สามารถสามารถปฏิบัติธรรมควบคู่ไปได้ด้วยการเจริญสติการเจริญสตินี้เป็นถือว่าเป็นการปฏิบัติธรรมขั้นที่หนึ่งเจริญสติเป็นธรรมขั้นที่หนึ่งนั่งสมาธิเป็นธรรมขั้นที่สองเจริญปัญญาเป็นธรรมขั้นที่สามเพื่อได้วิมุตติเป็นธรรมขั้นที่สี่คือผล ใจบรรลุผลมรรคผลนิพพานนี้เป็นขั้นที่สี่มันเป็นสิ่งที่ต้องทำตามตามขั้นตา ม, ต, า ม, ต, ามตอนกันมาเพราะสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่สนับสนุนกันพระพุทธเจ้าทรงสงสัยว่าศีลนี้จะเป็นเครื่องสนับสนุนการเจริญสติการนั่งสมาธิการเจริญสติการนั่งสมาธิก็จะสนับสนุนปัญญาปัญญาก็จะสนับสนุนวิมุตติการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง มันต้องมีมีสิ่งที่สนับสนุนกันอยู่ดีๆอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เลยมานั่งนึกเฉยๆว่าต่อไปนี้จะไม่อยากไม่ไม่อะไรแล้วไม่โลภอะไรแล้วคิดได้แต่ทำได้หรือเปล่าพอถึงเวลาพอ ถ, าถึงเวลามีอะไรมายั่วยวนจนใจหน่อยก็ทนไม่ได้ถ้าเกิดความอยากขึ้นมาในใจก็หยุดมันไม่ได้ไม่ใช่ว่าเพียงแต่นึกว่าจะไม่อยากนี้มันจะทาให้ความอยากหายไป พเพียงดต่นึกแล้วมันหายไปได้ก็ดีสิเราก็ได้ไม่ต้องปฏิบัติทําให้เสียเวลาเรานั่งเฉยๆดูทั้งทั้งวันดูเสร็จเนี้ยว่าไม่อยากอะไรถ้าไม่อยากอะไรต้องนั่งเฉยๆได้ไม่ต้องไปทําอะไร<ม>เดี๋ยวนั่งได้แป๊บเดียวเดี๋ยวก็งุดหยินแล้วอยากจะลุกขึ้นมาอยากจะเดินไปตรงนั้นอยากจะไปดูนั่นอยากจะไปฟังนี่ขึ้นมาล้ว<ม>ถ้าไม่มีสติคอยควบคุมคอยหยุดมันก็จะทนสู้กับมันไม่ได้ เดี๋ยวก็ต้องไปทําตามความอยากอยู่ดีอันนี้คือเรื่องของการปฏิบัติในวันพระนี่เราต้องมาปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถึงจะได้ผลโดยเฉพาะการเจริญสตินี่ต้องเจริญสติอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ตื่นจนหลับอย่าปล่อยให้ใจคิดฟุ้งซ่านอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คอยสกัดสกัดมันด้ว ย, ด, วยด้วยการใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธ บริกรรมพุทโธไปภายในใจเวลาที่ใจไม่คิดอะไรก็หยุดพุทโธได้แต่ก็ต้องคอยมีสติคอยคอยดูว่ามันคิดอะไรหรือเปล่าถ้ามันเริ่มคิดก็ต้องใช้พุทโธพุทโธหยุดมันใหม่แล้วก็มีเวลานั่งสมาธิได้มากตอนไม่าันไรก็พยายามนั่งให้มากๆนั่งให้บ่อยๆยิ่งมากยิ่งดีเพราะยิ่งถ้านั่งแล้วถ้ายังไม่สงบนั่งบ่อยๆโอกาสที่จะสงบมันก็จะมีมากขึ้นนะ แล้วถ้ามันสงบแล้วเรานั่งบ่อยๆมันก็จะทําให้ฐานของความสงบนี้ขยายออกไปกว้างขึ้นความสงบก็จะอยู่ได้นานขึ้นออกจากสมาธิมาแล้วความสงบก็ยังไม่หายไปอุเบกขาก็ยังมีอยู่ต่อไปอีกนานแต่ถ้าเรานั่งเพียงแค่ครั้งเดียวเนี่ยพอออกจากสมาธิมาได้แป๊บเดียวความสงบก็จะหายไป ถ้าไม่อยากให้มันหายไปพอมันหายไปพอออกจากสมาธิมาแล้วความสงบหายไปก็กลับเข้าไปในสมาธิใหมว่วันวันหนึ่งนั่งสมาธิอาจจะนั่งต้องหลายรอบเจ็ดแปดรอบหรือสิบรอบก็ได้นั่งเข้าไปพอจิตสงบแล้วพอทนนั่งต่อไปไม่ได้ก็ออกมาออกมาก็จะเดินสติต่ตอถ้านั่งแล้วเมื่อยก็ลุกขึ้นมาเดินต่อเดินจงกรมแทงเดินจงกรมจนหายเมื่อยแล้วก็กลับไปนั่งใหม่ ขณะที่เดินจงกลมก็ต้องมีสติต้องเจริญพุโทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆไม่ไม่ปล่อยให้ใจไปคิดเรื่องราวต่างๆต้องคอยควบคุมความคิดให้ได้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็กลับไปนั่งใหม่นั่งแล้วจิตสงบก็มีความสุขกับความสงบไปชั่วระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็ถอนออกมาถอนออกมาก็เจริญสติใหม่เหตุที่ต้องถอนออกมาก็เพราะว่ากาลังของสติมันอ่อนลงมันสู้กำลังของ กิเลสตัณหาความโลภความอยากไม่ได้ความโลภความอยากนี้มันไม่ได้ตายไปจากกำลังของสติสติเพียงแต่ผักมันให้กลับเข้าไปในสมาธิเท่านั้นแต่พอกำลังของสติอ่อนลงกำลังของสติที่กำลังของกิเลสตัณหาที่อยากจะออกมาหารหาลาบยดเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกิจลสมันก็จะดันให้จิตออกมาคิดถึงเรื่องการหาความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกาย ถ้าออกมาแล้วไม่ควบคุมสติเดี๋ยวมันก็จะความอยากหาราบยศสารเสริญมันก็จะพาให้ใจไปหาราบยศสารเสริญ ส, สุขแทนแทนที่จะอยู่กับที่ปฏิบัตินานๆก็พอแล้วไปวันนี้เอาแค่นี้ก่อนไปหาเงินหาทองก่อนไปหายศหาตาแหน่งก่อนไปหาอะไรก่อนหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถก่อนแต่ถ้าเราอยากจะให้มันอยู่ที่ปฏิบัติทาต่อไปนานๆ เวลาออกจากสมาธิมาเราก็ต้องจเจริญสติต่อพุโทโธพุโทโธต่อเหมือนตอนก่อนที่เราจะเข้าสมาธิเราก็จเจริญสติสตินี้เป็นสิ่งที่จําเป็นทุกกรณีไม่ว่าจะขณะก่อนเข้าสมาธิก็ดีขณะอยู่ในสมาธิก็ดีหรือขณะออกจากสมาธิก็ดีต้องมีสติคอยควบคุมใจอยู่เรื่อยๆถ้ามีสติเวลาจิตสงบแล้วเรามีสติคอยควบคุมคอยหยุดความอยากความโลภที่จะโผล่ขึ้นมา เราก็สามารถนั่งต่อไปได้แต่ถ้าเราควบคุมไม่ไหวมันออกมาเราก็ต้องมาเจริญสติใหม่มาบริกรรมพุโทโธพุโทโธใหม่ใเบื้องต้นเราต้องคอยควบคุมความคิดต้องคอ ย, คอยทาใจให้นิ่งให้สงบด้วยกำลังของสติสติจึงเป็นสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องเจริญตลอดเวลาหรือวตลอดเวลาตอนที่เรายังเราไม่นอน เราจะไม่สามารถเจริญสติได้ก็ตอนที่เราหลับเท่านั้นเองช่วงที่เราตื่นนี่เราสามารถเจริญสติควบคุมความคิดได้เราอย่าปล่อยให้เวลานี้ปล่อยไปโดยไม่ควบคุมความคิดนะเพราะถ้าเราปล่อยให้มันคิดแล้วโอกาสการจะทําให้จิตสงบนี้มันจะยากนั่งเราไม่ได้ผลพอนั่งเราไม่ได้ผลมันก็จะเกิดความท้อขึ้นมาแล้วก็กจะเลิกก็ได้บอกสู้ไม่ไหว ก้าวเหตุผลอย่างนั้นอย่างนี้ต้องไปทางานต้องไปหาเงินหาทองต้องไปเลี้ยงคนนั้นเลี้ยงคนนี้หรือว่าชาตินี้ไม่มีวาสนาพอปฏิบัติไปก็ไม่ได้ผลก็เลยล้มเลิกไปก็จะทําให้เสียโอกาสอั น, อ, นอันยิ่งใหญ่นี้ไปเพราะโอกาสที่ได้มาเกิดมาพบกับพระพุทธศาสนานี้ไม่ใช่เป็นของง่ายดายน า, นานจะมีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาอยู่ในโลกสักระยะหนึ่ง เช่นพระพุทธศาสนาที่เรานับถือกันอยู่นี้ก็มีการพยากรณ์ว่าอยู่ไม่เกิน 5,000 ันปีนี่ก็ผ่านมา2องพันห้ากว่าปีแล้วผ่านมาครึ่งทางแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานมันก็จะหายไปหมดพอครบห้าพันปีทำสั่งคําสอนของพระพุทธศาสนาก็จะหายไปคนที่จะศึกษาปฏิบัติก็จะหายไปก็จะไม่มีใครรู้เรื่องคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่รู้เรื่องของการยุติ ความทุกข์ต่างๆด้วยการปฏิบัติพอถึงยุนะคนั้นแล้วก็จะไม่มีใครรู้ใครบอกก็จะไม่มีใครสอนคนอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะไม่รู้จักวิธีว่าทำยังไงถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆอีกไม่รู้กี่ล้านชาติกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาอันใหม่ซึ่งนานๆก็จะมาโผล่ขึ้นสักครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเอกว้ฏ อาจจะเป็นเวลาล้านชาติแสนล้านชาติก็ไม่มีใครรู้แต่ศาสนาพุทธนี่มีปรากฏขึ้นมาอยู่เรื่อยๆแต่มันนานๆจะปรากฏขึ้นมาสักครั้งหนึ่งเท่านั้นเองแล้วจังหวะที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์และมาเจอพระพุทธศาสนานี่มันก็มันก็ยากเพราะเราก็ขาดจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็ไม่รู้ว่าเราต้องไปรับใช้บุญใช้บาป อ, อีกนานสักเท่าไหร่ว่าจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ เช่นสมมติเราตายไปจากโลกนี้ในชาตินี้แล้วเราอาจจะต้องไปรับผลบุญที่เราทำไว้หรือไปรับผลบาป ท, ที่เราทำไว้ก่อนจนกว่าบุญหรือบาป ท, ที่เราจะทำไว้มันหมดอานาจที่จะมาะจัดการกับใจของเราเราถึงจะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่เราก็อาจจะเกิดแล้วในยุคนั้นก็อาจจะไม่มีพระพุทธศาสนาลงเหลืออยู่ในโลกนี้แล้วก็ได้ พอไม่มีพุทธศาสนา mm. ก็จะไม่มีใครสอนใครบอกเรา mm. เราก็จะเหมือนกับคนที่คนตาบอดคำทางไป mm. อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ mm. ก็ไม่รู้ว่าการหลุดพ้นจากความทุกข์นี้ทำอย่างไร mm. ก็ต้องทำไปเรื่อยๆกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกไม่รู้กี่กี่ล้านชาติกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่ง mm. mm. แล้วการได้พบกับพระพุทธศาสนา mm. ก็ไม่ในหมายความว่าเราจะสามารถ จากตัวประโยชน์จากพระพุทธศาสนาได้นะถ้าเราไม่ได้สร้างบารมีไว้ก่อนถ้าเราไม่สะสมบุญไว้ก่อนไม่สะสมนิสัยที่เราเราชอบทำสติชอบนั่งสมาธิไว้ก่อนนี้พอไปเกิดในยุคสมัยที่มีพระพุทธศาสนามาสอนให้เราฝึกสตินั่งสมาธิเราก็จะไม่มีกำลังที่จะไปทำตามได้แต่ถ้าเราคอยฝึกสติคอยนั่งสมาธิคอยทำบุญทำทาน คอยรักษาศีลอยู่เรื่อยๆแต่ว่าว่าภพนี้ชาตินี้มันจะไม่สามารถทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ก็ตามแต่อย่างน้อยนิสัยมันจะติดไปกับเรานิสัยที่ชอบทํามุนทำทานมันจะติดไปกับเรานิสัยที่ชอบรักษาศีลมันจะติดไปกับเรานิสัยที่จะฝึกสตินั่งสมาธิมันจะติดไปแต่ถ้าเราไม่ทําเลยเรามาลองทํารั้งสงครั้งแล้วก็ยกธงขาวไม่ไหวสู้ไม่ได้ ถ้าเรายกทงขาวแล้วโอกาสที่เราจะไปพบกับพระพุทธศาสนาแล้วปฏิบัติตามคำสอนก็จะเหมือนกับพบนี้ชาตินี้เมื่อพบนี้ชาตินี้เราได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วแต่เรายังไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้พบต่อไปโอกาสต่อไปเวลาที่เราไปเจอศาสนาพุทธใหม่เราก็จะไม่สามารถปฏิบัติตามได้อยู่ดี พอเราไม่ได้สร้างนิสัยไว้นั่นเองแลวิธีจะสร้างนิสัยก็ต้องอาศัยความเพียร น, นี่แหละมันต้องเพียพรพยายามต้องบังคับจิตใจต้องตั้งเป้าของการกระทำของเราว่าการเกิดมาของเรานี้มีเป้าหมายอยู่ที่การดับความทุกข์ทางใจสร้างความสุขทางใจและการที่เราจะสร้างความทุกข์ดับความทุกข์ทางใจสร้างความสุขทางใจได้เราต้องมีการเพียรปฏิบัติ ต, ตามคําสอนของพระพุทธเจ้า เพียรรักษาศีลเพียรนั่งสมาธิเพียรเจริญสติเพียรเยจริญปัญญาเพียรทำบุญทำทานซึ่งเราต้องควรต้องมาทำบ่อยๆอย่างน้อยเริ่มต้นอยู่ที่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งทำให้มันเต็มรูปแบบเลยท ำ, ทำทั้งวันทั้งคืนเลยตอนต้นก็ทำทานก่อนทานน่ง่ายทำแค่แป๊บเดียวก็เสร็จสายบายก็ถือว่าได้ทำทานแล้วหรือบริจาคเงินให้กับวัดให้กับโรงพยาบาลหรือกับที่ไหนก็ได้ ก็ถือว่าเราได้ทำทานแล้วแล้วก็มารักษาสีลงแปดกันวันธรรมดาก็รักษาสีล5ห้าวันวันมาปฏิบัติธรรมก็รักษาสี่งแปดแล้วก็นำต้นด้วยการเจริญสติตั้งแต่ตื่นจนหลับแล้วเวลามีแล้วแล้วก็มานั่งสมาธิว่างเมื่อไหร่มีเวลานั่งเมื่อไหร่ก็นั่งนั่งอย่าไปทำอย่างอื่นอย่าไปดูหนังฟังเพลงอย่าไปคุยกันอย่าไปทาอะไรกัน เอาเวลามาให้กับการนั่งสมาธิเพราะยิ่งทํามากมันจะยิ่งง่ายขึ้นเพราะเราพอเราทําใหม่ๆ ม, มันก็มันเป็นของที่ยากเพราะว่าเราไม่เคยทํามาแต่พอเราทําบ่อยๆเข้ามันก็จะเกิดความชินเกิดความชํานาญขึ้นมาแล้วการนั่งสมาธิก็จะง่ายขึ้นง่ายขึ้นแล้วต่อไปมันก็จะติดเป็นนิสัยไปสร้างทำเหล่า น, นี้ให้มันติดเป็นนิสัยไปเผื่อว่าพบนิชานี้เราไม่สามารถที่จะ สดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เราก็จะมีนิสัยที่ดีติดตัวไปนิสัยที่ดีเหล่านี้เราเรียกว่าบารมีเช่นทานบาลมีให้ทำบุญให้ทานศีลบารมีนักษาศีลบาลมีคือเนคขมมะบาลมีก็คือการการถือศีลแปดเรียกว่าในคขมมะบาลมีถือศีลห้าก็เรียกว่าศีลบาลมีในคขมมะแปลว่าการยุติการหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเอง ก็คือศินแปดสิ น, สนข้อตั้งแต่ศินข้อหกขึ้นไปก็จะเป็นเนื้อขมมะบ า, มม า, า, มามลมีไม่หาความสุขจากการเสพรูปเสียงกลิ่นรสไม่หาความสุขจากการดื่มการรับประทานอาหารไม่หาความสุขจากการหลับนอนมากจนเกินไปอันนี้เป็นการเจรนนิญเนื้อขมมะบรารมีและเวลานั่งสมาธิจิตนิ่งสงบก็จะได้อุเบกขาบรารมีติดตัวไป แลนะถ้าฟังเทศฟังธรรมพิจารณาตายละกันิจังทุกขังอนัตตายอยู่เรื่อ ย, อยๆก็จะได้ปัญญาบารมีไปถ้าเรายังไม่สามารถทํางานในภพนิชานี้ให้มันหมดสิ้นไปได้บารามีเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่มาคอยสนับสนุนเราในภพต่อๆไปได้ถึงแม้จะไม่ได้พบกับพระพุทธศาสนาเราก็สามารถที่จะปฏิบัติต่ตอไปได้โดยที่ไม่ต้องมีใครมาสอนมาบอกเราถ้าเราฝึกจนมันติดเป็นนิสัยไป ือถ้าไปเจอพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งก็จะมีคนมาสอนมาบอกวิธีเหล่านี้มันก็จะกระตุ้นให้เรามีมีความยินดีฉันทาวิทยะขึ้นมาทันทีแล้วก็จะทำให้เราปฏิบัติทำได้ง่ายกว่าคนที่ไม่ได้มีบา ร, รมีติดตัวมาเพราะฉะนั้นชาตนี้เราต้องเอาเวลาอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งวันเป็นจุดเริ่มต้นเอาเวลามาให้กับการ จริสตินั่งสมาธิจเจริญบาลมีต่างๆทานบารมีศีลบาลมีเนคข ม, มะบารมีอเบขาบาลมีปัญญาบาลมีด้วยการสนับสนุนของวิริยะบารมีของอธิษฐานสัจจะอธิษฐานบาลมี mm. เราต้องตั้งเป้าว่าต่อไปนี้เราจะต้องมีวันพระเราต้องมีวันปฏิบัติทำอาทิตย์ละหนึ่งวันทั้งทั้งวันทั้งคืนไม่ใช่ปฏิบัติแบบพอหอมปากหอมคอ แต่ปฏิบัติเอาจริงเอาจังเช่นวันพระนี้ถ้าเราไม่ต้องไปทํางานเอาวันที่เราไม่ทํางานนี้มาให้กับการปฏิบัติทำหนึ่งวันอาทิตย์นี้หนึ่งวันเป็นจุดเริ่มต้นก่อนถ้าปฏิบัติไปแล้วได้ผลดีก็อาจจะเกิดฉันทะวิริยะที่อยากจะปฏิบัติเพิ่มเป็นสองวันสามวันไปเรื่อยๆถ้าได้ผลดีดีไม่ดีพบนิชานี้ก็จะอาจหลุดพ้นจากความทุกข์ได้อย่างสิ้นเชิงก็ได้ถ้าหลุดพ้นได้ก็ถือว่า การเวียนว่ายตายเกิดของเราก็จะสิ้นสุดลงความทุกข์ต่างๆที่เราเคยแบบเคยหามเคยเคยเจอมาก็จะหมดไปจากใจเราเราก็จะไม่ต้องไปทุกข์ทรมาน ก, กับการเกิดแก่เจ็บตายต่อไปเราก็จะอยู่ที่นิพพานกับพระพุทธเจ้าอยู่กับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายอันนี้เป็นผลที่เกิดจากการมีการกระทําความเพียรในวันพระมีความตั้งใจ ตั้งเป้าว่าต่อไปนี้เราจะมีวันพระอาทิตย์หนึ่งวันแล้วเราจะใช้ความเพียรในการปฏิบัติสร้างธรรมะต่างๆสร้างธรรมต่างๆให้เกิดขึ้นมาในใจให้มันฝังอยู่ในใจของเราให้มันติดเป็นนิสัยไปกับเราถ้ามีการกระทําบ่อยๆมันก็จะเกิดมันก็จะติดเป็นนิสัยไปถ้าไม่ทําบ่อยนานๆทำครั้งหนึ่งมันจะไม่เป็นนิสัย ยังถ้าอยากจะให้มันเป็นนิสัยต้องทําบ่อยๆทําซ้ำซํำๆซักๆอยู่เรื่อยๆต่อไปมันก็จะชินมันก็จะชํานาญแล้วก็มันก็จะง่ายต่อไปทำทานก็ง่ายรักษาศีลก็จะง่ายขึ้นนั่งสมาธิเจริญสติก็จะง่ายขึ้นพิจารณาทางปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ก็จะง่ายขึ้นชัดขึ้นแต่ถ้าไม่ทําเลยมันก็จะยากจเพราะว่ามันไม่ชินไม่ชํานาญต้องทําบ่อยๆให้มันชินให้มันชํานาญ แล้วต่อไปมันไม่ต้องไปเขี้ยวเขนมนันบังคับมันมันถึงเวลามันก็จะบอกวันนี้วันพระแล้วต้องไปปฏิบัติแล้ว <piace get you free> ตอนเริ่มต้นะจต้องคอยคอยเตือนใจว่าวันนี้วันพัสต้องไปปฏิบัติธรรมนะแต่พอเราปฏิบัติไปสักพักหนึ่งเป็นนิสัยขึ้นมาพอถึงวันพระนี่เราไม่ต้องเตือนเราแล้วมันจะมาเตือนเราเองว่าวันนี้วันพัสแล้วถึงเวลาไปปฏิบัติธรรมแล้วนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพยายามสร้างขึ้นมานะคือความเพียรพยายามในการปฏิบัติ ตามคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องอย่าให้มันลดน้อยถอยลงไปอย่างน้อยที่สุดก็ต้องรักษาระดับที่เราทำไว้อย่าให้มันหดไปอย่าให้มันน้อยลงไปแต่พยายามให้มันมีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่ อ, อ, อยๆจากอาทิตย์ละวันก็อาจจะขอเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสองวันจากอาทิตย์ละสองวันก็เป็นสามวันเพิ่มไปเรื่อยๆต่ อ, อไปก็อาจจะปฏิบัติทุกวันเลยก็ได้ไปเป็นนักบวชเลย ถ้าได้ไปเป็นไปเป็นนักบวชนี้โอกาสที่จะหลุดพ้นจากความทุกนี้ตามที่พระเจ้าได้ทรงทานายไว้ว่าถ้าไม่เจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีต้องหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างแน่นอนนี่คือสิ่งที่เราควรจะเอามาพิจารณากันโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการทำความเพียรถ้าเราไม่มีการกรทำความเพียรถึงแม้เราจะรู้ว่าเราต้องทา ทำทานรักษาศีลเจริญสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาแต่ถ้าเราไม่ทําไม่มีความเพียรมีความเกียดค้านเราก็ไม่สามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้ดังั้นจะทําสิ่งเหล่านี้ได้ก็ต้องเกิดจากการมีความเพียรการจะมีความเพียรก็ต้องอยู่ที่การมีความอ่าเข้มข้นกับกับใจของเราตัวเราตั้งเป้าว่าจะทําอะไรก็ต้องทำตามทำให้ได้อย่าเปลี่ยนใจจะยากลาบากงั้นก็ต้องสู้สู้ไม่ถอย ถ้าสู้ไม่ถอยแล้วเราก็จะต้องเป็นผู้ชนะต่อไปอย่างแน่นอนนี่คือเรื่องของวันพระเรื่องของการมาทำความเพียรในวันพระนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยาถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาขังเอวเมวาอิโตจินงังเปตานาังอุปกปติ อิชิตังปัธิตังตุมหังคิปเมวัสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยทาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตปวัตวันตารโยสุขีทีขายุโกภวะ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 ทางยูทูบพระอาจารย์สุชาติ312ท่านทางยูทูบดรวีสามท่านทางวิทยุออนไลน์16ท่านครับเฮาส7ท่านผู้รับฟังหน้ากุฏิ106ท่านรวมทั้งหมด832ท่านครับ กล่าวนมัทสการพระอาจารย์เจ้าค่ะมีคำถามจากผู้รับฟังธรรมาคุตติฝากเข้ามาถามว่าเวลาภาวนาพุโทโธแล้วรู้สึกปวดหัวข้างเดียวควรจะแก้ไขอย่างไรดีคะถ้ามันเป็นมันเกิดตอนที่เราภาวนาก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันเป็นกิเลสกิเลสมันสร้างมาหลอกเราก็เราก็ภาวนาของเราไปถ้าใช้พุโทโธก็อยู่พุโทโธพุธโทโธไป ไม่ต้องไ่สนใจเดี๋ยวอาการต่ตางๆมันก็จะหายไปจะค่ะจากคุณบบยกลูกได้เจอองค์หลวงตามหาบัวและพระาจาย์สุชาติอภิชาโตลูกบริกรรมเพื่อการเข้าสู่สมาธิได้ง่ายขึ้นอารมณ์ที่วางเฉยจึงมีมากขึ้นการที่ได้มาเจอพระผู้ปฏิบัติจนหลุดพ้นถือเป็นบุญที่สั่งสมมาจากอดีต อย่างหนึ่งใช่ไหมเจ้าคาที่ลูกเข้าใจว่าเป็นบุญอย่างหนึ่งเพราะไม่ได้ไปในทางที่เชื่อแบบหลงงมงายเจ้าคะ่ะก็ต้องมีบุญถึงจะเห็นเห็นคุณประโยชน์ของคำสอนของพระพุทธเจ้าคนไม่มีบุญนี่จะเหมือนไก่ได้พลอยไก่นี่มันจะเวลาได้เพชรได้พลอยมันจะเขียยทิ้งมันไม่รู้จักคุณค่าของเพชรพลอยแต่มันจะหาแต่ตัวหนอนตัวไส้เดือน คนที่จะหาแต่เงินหาแต่ทองเนี่พอเจอธรรมะ ก, ก็จะเขียดทิ้งเขียดทิ้งแสดงว่าไม่มีบุญเก่าาคนที่มีบุญเก่าก็คือคนที่เห็นคุณค่าของบุญกุศลของการทําความดีต่างๆพอได้มาพบกับคําสอนก็จะยินดีที่จะปฏิบัติตามเชค่ะจากทาง youtube พระอาจารย์กราบนมัสการเรียนถามครับถ้าเราสามารถรักษาสินห้าได้แล้ว แต่พยายามเพิ่มอีก3ข้อซึ่งยังทำได้ไม่ครบ8ข้อความเพียนนี้ยังมีผลต่อบา ร, รมีต่อไปด้วยหรือไม่ครับกราบขอบพระคุณครับก็ถ้าสีน้อยมันก็กําลังที่สนับสนุนมันก็น้อยลงไปแตตอนเริ่ม ต, ต้นเราก็ต้องยอมรับว่ากําลังเรายังอาจจะไม่มากพอก็รักษาเท่าที่เรารักษาไปได้ก่อน แล้วพอเรามีกำลังเพิ่มมากขึ้นเราก็จะรักษาเพิ่มได้มากขึ้นไปเองเหมือนเด็กๆที่หัดเดินตอนต้นก็อาจจะเดินได้ลุกขึ้นมาเดินได้สองสามก้าวแล้วก็ต้องล้มลงไปต้องคานไปใหม่แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินใหม่แต่ถ้าพยายามฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวต่อไปกำลังก็จะมากขึ้นไปต่อไปก็จะรักษาศีลได้ครบทั้งแปดข้อแล้วก็จะทำให้การปฏิบัติของเรานี้เป็นไปได้ดีขึ้นเข้มข้นขึ้น เจ้าค่ะจากคุณยี่สิบสี่กราบในวัตการพระอาจารย์สอบถามว่าเวลานั่งสมาธิแล้วจะมีเรื่องราวต่างๆคล้ายเวลาเราฝันแต่เราไม่ได้หลับในใจจะคิดต่อสู้กับตัวเองฝืนตัวเองจำคำเวลาฟังธรรว่าไม่ว่ายังไงให้อยู่กับพุทโธไว้ เมื่อกลับมาอยู่กับพุโทโธได้สักพักก็จะเกิดเรื่องราวคล้ายๆฝันอีกก็จะสู้และฝืนให้กลับมาที่พุโทโธอีกบนอยู่แบบนี้อาการแบบนี้คืออะไรต้องแก้อย่างไรคะพุโทโธเราไม่ต่อเนื่องพอช่วงไหนเราเผลอพุโทโธพระบัการเหล่านี้ก็จะเกิดขึ้นมาเพราะฉะนั้นพยายามพุโทโธไปอย่าให้หยุดจนกว่าอาการต่างๆจะหายไปจนกว่าเราจะเลิกนั่งสมาธิแลงจนกว่าจิตจะนิ่งจะสงบ เราถึงค่อยหยุดพุทธโธได้ถ้าในขณะที่นั่งสมาธินี่ควรจะมีพุทธโธพุทธโธอยู่เรื่อยๆแล้วอาการต่างๆก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้จากคุณอ้อจ้าค่ะสอบถามค่ะพระอาจารย์เมื่อก่อนลูกปฏิบัติธรรมเพื่อไปนิพพานแต่ตอนนี้ความอยากไม่มีเหมือนเดิมแต่มีอยู่ในจิตที่แน่ๆไม่แสดงออกให้ใครเห็นค่ะมาถูกท่าไหมครับพระอาจารย์ คือความอยากไปนิพพานนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจะต้องมีถ้าไม่มีความอยากไปนิพพานเราก็จะไม่ไปนิพพานกันแต่เมื่อเราไปถึงนิพพานแล้วเราก็ควรจะหยุดความอยากนี้เมื่อถึงแล้วถ้ายังไม่ถึงก็ต้องอยากต่อไปจนกว่ามันจะถึงเจ้าค่ะคุณมารีรัตถามเข้ามาว่าวันนี้โยมไปทำบุญที่วัดและน้อมจิตว่าได้ทำบุญกับพระอาจารย์ จะมีอา น, นิสงส์งเหมือนทำกับพระอาจารย์ไหมโยมีการศึกษาน้อยโซเชียลไม่ค่อยอยู่ไกลพระอาจารย์ได้แต่น้ำจิตระลึกถึงสายทุจาค่ะ อ, อ๋อทำบุญกับใครก็ได้บุญเท่ากันหมายถึงบุญที่เกิดจากการให้นไม่ได้เกี่ยวกับผู้รับเกี่ยวกับผู้ให้ถ้าผู้ให้ให้ไปแล้วใจของผู้ให้ก็จะมีความสุขขึ้นมาไม่ว่าจะให้กับใครก็ได้แม้แต่ให้กับสุนัข ก, ก็ยังมีความสุขได้ แต่ถ้าอยากจะได้บุญจากผู้รับ ก, ก็ต้องไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านถ้าเราไปฟังเทศฟังธรรมจากท่านเราก็จะได้บุญคือที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมซึ่งเป็นบุญอีกอีกคนละชนิดกันเจ้าค่ะจากปุณิ์24สอบถามว่าคนที่เช่าบูชาหรือขแขวนพระชื่อดังหรือพกพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่หายากที่ว่ากันว่าเป็นพระอริยะ หรือเป็นของวิเศษบอกว่าทำให้รอดพ้นจากอันตรายเป็นเรื่องจริงที่พระท่านมาช่วยหรือความบังเอิญคิดปรุงมันเป็นความหลงอ่ะของต่างต่างล่านี้ช่วยเราไม่ได้หรอกสิ่งที่จะช่วยเราหรือทำโทษกับเราก็คือบุญกรรมที่เราทำทนั่นเองถ้าเราทำบุญไว้บุญจะมาช่วยเราถ้าเราทำบาปไว้บาปมันจะมาลงโทษเร า, าให้เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อกดแห่งกรรม เพื่องานของขังนี้เป็นความหลงมากกว่าไม่ใช่เป็นความจริงเจ้าค่ะคุณอนงนาฏกราบสอบถามพระอาจารค่ะมีแนวคิดว่าจะแจงรายได้ตามจริงไหมตอนยื่นภาษีและในที่สุดยื่นตามจริงเพียงความคิดในแหวบแรกถือเป็นบาปหรือไม่เจ้าคะกราบขอพระคุณค่ะถ้ายังไม่ได้ทําก็ยังไม่เป็นบาป มันอาจจะเป็นกิเลส ท, ที่ยังฝังอยู่ในใจเราอยู่แต่ถ้าเราชนะกิเลสได้ด้วยการเอาศีลมาชนะมันว่าทําผิดศีลนี่ได้กําไรไม่คุ้มกับกับโทษที่เราจะได้รับได้ไม่คุ้มเสียเพราะถ้าเราโกหกเราก็อาจจะไปเป็นเปรตต่อไปได้เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากจะไปเป็นเปรตเรายอมเสียภาษีดีกว่าก็บอกรายได้ไปตามความเป็นจริงแล้วก็จ่ายภาษีไป เเเราก็็จะไไม่ต้องปปนปนยังไม่มีคำถามเข้ามาเจ้าค่ ะ, ะเดี๋ยวรอทักแป๊บหนึ่งกำลังอาจจะพิมพ์ข้อความอยู่นนมีใครอยากจะถา ม, ถามก็เชิญเข้ามาถามได้นะเพรา ะ, ะเดี๋ยวเราเลิกแล้วก็จะไม่สะดวกที่จะตอบกพต้องมีงานอย่างอืง่นต้องทำอีก คนนั้นจะมาขอถ่ายรูปบ้างคนนั้นจะมาขอลา บ, บ้างอ<น>จะคุยกันให้เป็น <_ C> s> <S เป็ น, เ ป, นเป็นกรอบเป็นกรมเป็นเนื้อเป็นหนังมันก็จะลําบากในอย่างหนึ่งก็ไม่มีไมโครโฟนเสียงเราก็ค่อยพูดอาจจะไม่ค่อยได้ยินดังนั้นถ้าอยากจะถามเลยขอเชิญถามในช่วงนี้เลยดีที่สุดสะดวกที่สุดเพราะทุกคนนั่งอยู่นิง่งๆเฉยๆจะได้ยิน <C> s <S ได้ฟังทั่ว ถ, ถึงกันทุกคนไม่ต้องอายว่าเป็นคําถามของเรา ทุคนมีคําถามมีปัญหาเหมือนกันทั้งนั้นนมีความโลภโกรลงเหมือนกันทั้งนั้นไม่มีใครต่างกันดังนั้นเรามาถือว่าเรามาอยู่ในห้องเรียนอันเดียวกันมาเรียนรู้เรื่องเดียวกันเพราะฉะนั้นการที่เราถามนี่อาจจะถือว่าเป็นการให้ธรรมทานไปในตัวให้คนอื่นเขาได้ยินได้ฟังทำถ้าเราไม่ถามก็จะไม่มีทำออกมาแสดงดังนั้นถ้าเรากล้ายอมลงทุนยอมยอมเปลืองตัวหน่อยถามหน่อย แต่ก็จะได้ทําออกมาคนทอื่นที่เขานั่งอยู่เชฉยๆนั่งฟังอยู่เขาก็จะได้ธรรมทานจากเราไปเจ้าค่ะมีทางยูทูปพระอาจารย์ถามเข้ามาว่ามีวิธีแก้โรคขี้อายไหมครับมีก็น่าด้านหน่อยสิอาจเป็ น, นคนน่าด้านหน่อยจะไปขี้อายทํำไร อยากจะไม่คี้อายก็ต้องฝึกสติมากๆนะถ้าจิตมีสติมากๆจิตจะมีความกล้าหาญไม่กลัวอะไรไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าเราอยากจะมีความกล้าหาญไม่กลัวอะไรไม่มีความโลภความรักความชังความกลัวความหลงก็ให้จเจริญสติให้จิตเข้าเข้าไปในสมาธิให้มีอุเบกขาขึ้นมาพอจิตมีอุเบกขาขึ้นมาแล้วทีนี้ก็จะเฉย ใครจะชมใครจะดา่าไม่เดือดร้อนไม่ไม่เหมือนกับตอนที่เราไม่มีอุเบกขากลัวเขาจะดา่าเราบ้างกลัวเขาจะตำหนิเราบ้างกลัวเขาจะไม่ชมเราบ้าง <Yeah. S 1> แต่พอเรามีสติมีสมาธิมีอุเบกขาแล้วเราเฉยเฉยนะไม่เดือดร้อนใครจะชมก็ได้ใครจะด่าก็ได้ดัง <Yeah. S 1> นั้นถ้าอยากจะาหายหายขี้อายก็พยายามฝึกสติ mm. บ่อยๆนั่งสมาธิบ่อยๆ คุณ24สอบถามเข้ามาว่าปรนเปรให้ความสะดวกสบายกับแม่ทุกอย่างเท่าที่ทําได้ทําแบบนี้ถูกไหมคะจะขัดกับหลักการมักน้อยสันโดษไหมคะอ๋อมักน้อยสันโดษนี่ไม่เกี่ยวกับตัวเราเองเกี่ยวกับการใช้จ่ายปัจจัยสี่ให้ใช้น้อยๆใช้เท่าที่จําเป็นอย่าฟุ่มเฟือย อย่าฟุ้งเฟอ้อแต่สําสหรับการทําบุญทําทานนี่อย่าไปมากน้อยต้องมากมากๆทําประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ต้องทำให้ดีทําให้เลิศเขาเนิยมเวจาใส่ถวายถวายของพระนี่เขาพยายามสรรหาของที่ดีๆมาถวายพระพอจะได้บุญมาก อ, มอยกจะได้บุญมากก็ต้องพยายามถวายให้มากอถวายของดีๆอันนี้ไม่ได้พูดเพื่อเราจะเอานะพูดตามหลักทำสําหรับเราให้เราก็ได้ไม่ให้เราก็ได้เราไม่ไม่ไม่เดือดร้อน แต่ถ้าเราอยากจะทำกับคนที่มีพระคุณกับเรา mm hmm. เช่นบิดามารดาเรานี่เราต้องสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดเท่าที่เราจะหาได้แล้ว mm hmm. ให้มากที่สุดเท่าที่เราจะให้ได้แล้วเราจะได้บุญมากาะพ่อแม่ของเรานี้เป็นเหมือนผ้า อ, อาหารของลูกๆนะทําบุญกับพ่อแม่นี้ได้บุญได้กุศลมากกว่าทํา mm hmm. ทํากับผู้ลองจากพระพุทธพระธรพระสงฆ์เท่านั้นล่ะเจ้ า, าค่ะคนหนึ่ง ขอเรียนสอบถามเจ้าค่ะมีคนเคยบอกว่าถ้าทำบุญมากๆจะเจ็บป่วยมากเพราะเจ้ากรรมในเวรจะเห็นแสงจากตัวเราและทำร้ายหรือมาขอบุญจริงใหม่เจ้าค่ะพระเจ้าพเจ้าทำบุญมากยิ่งมีมีบุญรักษาใจเรารักษาร่างกายเราดังนคนที่มีบุญนี้มักจะเจ็บไข้ได้ป่วยน้อยกว่าคนที่ไม่มีบุญ แต่ว่ามันอาจจะต้องรอชาติหน้าบุญที่เราทำวันนี้มันสำหรับชาติหน้าบุญที่เราทำชาติก่อนเนี่ยมันจะ ส, ส่งผลในชาตินี้เวลาเรามาเกิดเราจะมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงสุขภาพแข็งแรงมีอายุยืนยาวนาะนไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอันนี้เป็นอันนิสงของการทำบุญแต่ต้องรอพบหน้าชาติหน้าสำหรับการทาบุญในวันนี้เพราะามันเหมือนกับการปลูกต้นไม้เนะี่ย ลูกต้นไม้วันนี้ไม่ใช่ว่าจะมันจะออกดอกออกผลทันทีอาจจะต้องใช้เวลาสี่ห้าปีด้วยกันเช่นผลไม้ทุเรียนอะไรอนี้มันต้องใช้เวลาการบุญอา น, นิสงส์ของบุญก็ต้องใช้เวลาอันนี้เราทำบุญเพื่อพบหน้าชาติหน้ะแต่ผลของบุญที่เราได้รับในชาตินี้ก็คือความสุขใจอิ่มใจอันนี้เราได้ทันทีจักคุณสุกัญญา น้อมกราบในรมรรคการถามเจ้าค่ะมีวิธีแก้คนที่สติไม่ดีในชาตินี้ได้ใหม่และเขามารับกรรมในชาติใช่หรือไม่เจ้าคะกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะเขาต้องแก้เองเขาต้องรู้ว่าตัวเขากําลังขาดสติแล้วเขาก็มาฝึกสติเจริญสติแต่ถ้าเขาไม่แก้เองเราไปแก้ให้เขาไม่ได้หรอกเรื่องเหล่านี้เรียกว่าอัตตาหิอัตโนานาโถตอนเป็นที่พึ่งของตนแต่พระพุทธเจ้าก็แก้ให้เราไม่ได้ เราต้องเป็นคนแก้เองด้วยการมีความเพียรพยายามทำในสิ่งที่จะเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเราเช่ไค้าค่ะจากคุณดีเมฆขอหลวงพ่อเมตตาอธิบายการเจริญสติปัฏฐานโดยย่อและขอท่านช่วยขยายตรงจิตในจิตและทมในธรรมค่ะกราบขอบพระคุณค่ะอ๋อมันยาวมากนะเอาแค่เมื้องต้นก่อนให้เจริญสติก่อน ให้ควบคุมความคิดหยุดความคิดก่อนด้วยการมีกรรมฐานอยู่ในใจเช่นมีพุโทโธพุธโทโธอยู่ในใจหรือจะมีการเข้าดูการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ผูกใจไว้กับการเคลื่อนไหวของร่างกายทุกิรลียบทร่างกายกําลังทำอะไรใจต้องอยู่กับร่างกายในทุกิริยาบทใจก็จะไปลอยลอยไปกับความคิดต่างๆไม่ได้หรือถ้าไม่ใช้ร่างกายก็ใช้คําบริีกรรมพุโทโธพุธโทโธไป เช้าค่ะจาก youtube กลัวความตายความรัดาค่ะยังไม่กล้าพิจารณาสุภาจะต้องเริ่มคิดพิจารณาอย่างไรคะถ้าเราคิดแล้วเราคิดว่ารวยแล้ว เ, เ, เราจะรวยหรือเปล่าไม่ต้องไปกลัวความคิดความคิดมันไม่สามารถทําให้เราจะนนึกรวยหรือตายได้นะแต่การคิดนี่มันจะทําให้เราเกิดปัญญาขึ้นมาเราคิดตามความจริงนี่มันจะเป็นปัญญา ไม่ต้องไปกลัวว่าเราจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพาคจากกานันนี้คิดบ่อยๆ ย, ยิ่งดียิ่งฉลาดยิ่งยิ่งมีปัญญายิ่งมีความสุขใหม่ๆมันอาจจะถูกกิเลสต่อต้านมันกิเลสมันไม่ชอบกิเลสมันชอบอยู่ไปนานๆก็มีอะไรแล้วอยู่กับสิ่งที่มีไปนานๆแต่มันคันหลักกับความเป็นจริงพอสูญเสียมันก็จะสร้างความทุกข์ใจให้กับเราแต่ถ้าเราคิดอยู่บ่อยๆว่าเราจะต้องสูญเสียเราจะต้องพัดพาคจากกาัน จวกรทั้งใจเรายอมรับได้เวลาเจอของจริงเราจะรู้สึกเฉยเฉยไม่ทุกกับมันเพราะฉะนั้นอย่าไปกลัวความคิดทางปัญญาเกิดแก่เจ็บตายนี่มันเป็นความคิดทางปัญญาแล้วก็ไม่ได้ทําให้เราแก่เจ็บตายไปในทันทีทันใดเหมือนกับคิดว่าพรุ่งนี้เราจะรวยเนี่ยคิดไปจนวันตายมันก็ไม่รวยหรอกมันไม่ได้อยู่ที่ความคิดอยู่ที่การกระทำเชคค่ะจาก youtube ถือสินแปะที่บ้านจะได้บุญเหมือนกันหรือไม่เหมือนที่วัดไหมก็อยู่ที่ว่ารักษาได้หรือไม่อยู่ที่บ้านจะมีของล่อใจเยอะตู้เย็นก็มีโทรทัศน์ก็มีคนนั้นคนนี้เดี๋ยวเขาร้องนําทําเพลงกันขึ้นมาแล้วก็เดี๋ยวก็อดไม่ได้ก็ไปทําตามเขาก็จะยากกว่าถ้าไปอยู่ที่วัดมันก็ไม่มีใครมาล่อใจเราคนที่วัดก็ทําเหมือนกันไม่กินข้าวเย็นเหมือนกันไม่ดูหนังฟังเพลงเหมือนกัน มีแต่ว่ายผ้าสวดมนนั่งสมาธิมันก็จะทำให้รักษาสินแปดได้ง่ายกว่าเจ้าค่ะมีทางอินบ็อกช่าค่ะอยากขายที่ค่ะรอมานานสิบปียมจะทำอย่างไรดีคะยมไปขอพรจากเทพเทวาเจ้าที่แต่ยังไม่สำเร็จสักทีค่ะขายถูกๆสิลด้าสิบเปอร์เซนตติดป้ายไว้เลยลด้าสิบเปอร์เซนตคุนี้ก็มีคนมา ไม่ขายแพงๆก็มันก็ไม่มีใครอยากจะซื้อเลยจาก y o u t u b เช้าค่ะสอบถามว่าดวงจิตจะไปเกาะกับเด็กในคันเมื่อมันดามีการตั้งคันเห็นข่าวรับจ้างรีดไข่ทำเด็กหลอดแก้วดวงจิตไปเกาะเด็กตั้งแต่อยู่ในหลอดแก้วเลยเหรอคะตั้งแต่มันสามส่วนมาผสมกันของพ่อของแม่แล้วก็ของจิตมาเจอกัน ต้องครบต้องครบองค์ประชุมเหมือนกับสภาเวลาเขาจะประชุมเขาต้องนับองค์ประชุมก่อนว่าครบหรือเปล่าถ้าไม่ครบก็ประชุมไม่ได้อันใดองค์ประชุมของการปฏิสนธิก็ต้องมีสามส่วนมีส่วนของแม่มีส่วนของพ่อแล้วก็มีส่วนของดวงวิญญาณมาร่วมกันพอมีครบทั้งสสามส่วนก็จะเกิดการปฏิสนธิขึ้นมาทันทีจาก Facebook เจ้าหา น้อมกับเรียนถามครับสวรรค์ชั้นเทพกับสวรรค์ชั้นพรหมมีสองแบบแบบที่หนึ่งคือยังไม่ได้อริยบุคคลอีกแบบคือได้พระอริยะแล้วกระผมเข้าใจแบบนี้ถูกไหมครับขอพระอาจารย์เพิ่มเติมความรู้เพิ่มเติมด้วยครับอันนี้ต้องเป็นสวรรค์ชั้นพรหมถ้าสวรรค์ชั้นพรหมที่ได้จากสมาธิยังเสริมได้อยู่ เข้าฌานด้วยสมาธินี่มันเสริมด้วยสตินี่มันเสริมได้แต่ถ้าได้สอนชั้นผมจากปัญญาคือเป็นพระอนาคามีอันนี้จะไม่เสื่อมจะไม่กลับมาเกิดเป็นบรุณุติอีกจะเป็นพรหมไปตลอดจนกว่าจะไปถึงพระนิพพานต่อไปชังขาจาก Youtube ขอถามค่ะเคยโลภทาผิดศีลห้าจะแก้ไขอย่างไรที่จะแก้ไขบาปในการกระทำไปแล้วได้ ไม่ต้องไปแก้แล้วอย่าไปทำใหม่ก็แล้วกันทำความดีทำบุญเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วบุญที่เราทำใหม่นี้มันจะมีกำลังที่จะคอยต้านบาปที่เราทำได้มีคำถามค่ะเจ้าค่ะจากคุณทีฆธนาขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับความเพียรเจ้าค่ะว่าทำอย่างไรถึงจะ ทำได้มากๆทุกวันแต่โยมก็ไม่เคยขาดในการปฏิบัติภาวนาเลยแต่บางครั้งยังมีความเพียรขึ้นขึ้ น, นลงลงอยู่จากการเจ็บป่วยบ้าง น, น้อมกลับในความเมตตาเจ้าค่ะก็พยายามพุโทโธไปทั้งวันนี่แหละคือความเพียรที่ดีที่สุดนั่งกายเจ็บไา้ได้ป่วยล้วก็ยังพุโทโธได้อยู่คำถามฝากถามสิคา่าะเวลาทำบุญที่ ทำงานถวายวัดด้วยทรัพย์ของตนและเป็นผู้นำบุญได้สำเร็จทุกงานแต่สำเร็จงานแล้วมักจะพบปัญหากับเจ้าอาวาสเป็นกรรมอะไรเจ้าคะเพราะมีเพราะมักจะพบปัญหาโดยที่ทาดีแล้วถูกตาหนิใส่ร้ายมาหลายวัดจนไม่ไปวัดทาบุญแล้วกลัวเจอปัญหาอีกคะ่ะก็ไปทำผิดวัดมัง้งไปหาวัดที่เขาไม่ตาหนิเรานี่ แต่เราอย่าไปสนใจเขาจะตำหนีแล้วก็จะชมเราขอให้เราดูว่าเราทำสิ่งที่ดีไปหรือเปล่าถ้าเราทำสิ่งที่ดีแล้วเขายังไม่พอใจมันก็เป็นกิเลสของเขาไปนะไม่ต้องไปกัวงวลกับคำพูดของคนอื่นให้ดูการกระทำของเราว่าทำดีหรือไม่ดีถ้าทำดีแล้วเราก็เราก็สบายใจไปส่วนคนอื่นจะพอใจหรือไม่นี่มันก็เป็นเรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้ค่ะคุณมาลีรัต ถามเขามาว่าเวลาโยมใส่บาตร ท, ทาบุญหรือให้ทานโยมเลือกแต่ของดีๆของไม่สวยโยมจะเก็บไว้ไม่ให้โยมทําเช่นนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องการจะให้ของของใครนี่คนจะให้ของดีๆกับเขาเพราะมันมีคุณค่าราคามากกว่าการให้ของไม่ดีการให้ของไม่ดีก็เหมือนกับให้ขยะเข้าไปคนรับเขาก็ไม่มีความยินดีเราให้ไปเราก็ไม่มีความสุข เพราะว่าเราไม่ได้สูญเสียอะไรให้ขยะนี่เราจะรู้สึกมีความสุขไหมไม่มีแต่ถ้าเราให้ของดีๆไปนี่เป็นของรักของหวงนี่มันทำให้เราเกิดความสุขขึ้นมาถ้าที่เราชนะกิเลสคือความหวงได้ยิ่งให้สามีหรือภริยาไปได้เนี่โยโยิ่งสุขยิ่งสบายเล ย, ยลองลองทาดูเลยค่ะจากคุณเนเน่มีโรคติดตัวมาตั้งแต่เกิดไม่กล้าสบตาใคร มีวิธีทําใจไม่ให้จิตเศร้าหมองไหมครับก็ฝึกสติฝึกสติให้ใจนิ่งสงบแล้วใจจะไม่เศร้าใจจะเฉยเฉยใจจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนเจ้าค่ะจาก Facebook โยเหมือนมีสี่เจ็ดติดตัวอยู่แต่ขาดหนึ่งคืออาหารหลังเที่ยงเพราะอยู่ร่วมกันหลายคนขอคำแนะนำพระอาจารย์เจ้าค่ะถ้ายังต้องกินร่วมกับเขาอยู่ก็กินให้มันน้อยลงต่อมือสิ ไปกินสองจานต่อมืเรว่ากินแค่ชามเดียวไปก่อนก็ได้อันนี้การให้ถือศีลข้อนี้ก็เพื่อไม่ให้เรากินมากเกินไปตัดความโลภในเรื่องอาหารลงไปเพราะกินมากแล้วมันจะทำให้เราเกียดค้างง่วงนอนไม่อยากจะนั่งสมาธิแต่ถ้าเรากินพอประมาณพอไม่ให้มันหิวพอดับความหิวได้มันก็จะทำให้ไม่มีปัญหาเวลาเรามานั่งสมาธิ แต่ถ้าเรายังต้องอยู่กับคนอื่นต้องกินพร้อมกับเขาอยู่แล้วก็ลดปริมาณของของมื้อไปใครกินมือ้อละสองชามก็ลดเหลือมือ้อละชามไปก็ได้เจ้าค่ะจากทางเฟ e บุ๊กจากทางยูทู u b e ค่ะสอบถามครับผมเป็นภูมิแพ้เรื้อรังมาตั้งแต่เด็กเวลามีอาการไข้หวัดขึ้นมาส5ห้าวันหายเดี๋ยวนี้นั่งเดินจงกรมนั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันมาเกือบปี เวลาเป็นไข้ขึ้นมาวันเดียวหรือไม่กี่ครั้งวันครึ่งวันหายแปลกมากครับโอเคหมดแล้วใช่ไหมค่ะโอเคก็พอสมควรแก่วเวลาสำหรับวันนี้ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเธอ